บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีม้วนที่แปดโดยพระมหาภัยร้อทิตาสีโลจเจริญุกท่านผู้สนใจฟังในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั่วทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรยายธรรมในวันนี้ก็จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี ต่อไปว่าด้วยเรื่องโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างหรือบางที่ก็บอกว่าพุทธโธวาทสามอย่างของพระพุทธเจ้าคือจะอย่างไรก็แล้วแต่โอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างก็มีหนึ่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสองประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ สามการทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีรอบจดหลงเป็นต้นทั้งหมดนี้แหละคือเป็นพุทโทวาทหรือเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้ามีสามประการในโอวาดสามนี้บางที่ก็พูดเป็นภาษาบาลีว่าสัพพะปัสสะอาการนังแปลว่าการไม่กระทำบาปทุกสิ่งทุกอย่างสอง อุสรสูปสัมปทาการยังความดีให้ถึงพร้อมผู้ง่ายๆก็คือว่าการกระทำความดีข้อที่ 3, สามสัจิตะปริโยธปนังคือการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าเว้นจากทุจริตคือระพุิชั่วด้วยกายวาจาใจ คำว่าทุจริตนั้นคือไม่ทําบาปทั้งปวงที่บอกว่าสัพาพปาปะสะกระดังคือการไม่ทําบาปทั้งปวงคําว่าประกอบสุจริตนั้นคือบําเพ็ญกุศลให้ภัยบุญบําเพ็ญบุญกุศลให้ภัยบุ์บ ก, บก็คือได้แก่ตัวบาลีว่าปุสลัดสูปสัมปทาคําว่าจะทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองก็คือชําระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด ภาษาพระ ก, ก็คือสัจิตระโยตถะนังฉะนั้นผู้ศึกษาปลึงทราบว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อนี้เป็นที่รวมโอวาททั้งหมดบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงแสดงมาตลอด 45,000 ปาหรือ45ปีคือตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปรินิพานแม้จะมีมากมายสักเพียงไร และวิจิตพิสดานสักเพียงไรก็รวมลงอยู่ในโอวาททั้งสามอย่างนี้ทั้งสิ้นฉะนั้นโอวาททั้งสามนี้จึงเป็นหลักประธานแห่งโอวาททั้งปวงโดยในนี้อาจจะกล่าวว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่าง <c oughs> ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฉะนั้น ก็จะขยายความในหลักสามประการนี้เพื่อให้ท่านเห็นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในข้อแรกที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหรือไม่ทำความชั่วทั้งปวงข้อสองทำความดีให้เต็มที่ข้อสามทำใจให้บริสุทธิ์นี่พูดโดยความหมายย่อๆสั้นๆในหลักสามประการนี้ส่องให้เห็นอุดมการของพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาไม่มีความประสงค์ที่จะให้พุทธศาสนิกชนประพฤติเป็นคนชั่วช้าเลยซามไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเช่นใดนการทำความชั่วเป็นการขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามพระพุทธศาสนามีแต่เร่งเร้าให้ทุกคนจับปรุงตนให้ดีขึ้นโดยไม่หยุดยัง้งแม้แต่คนที่ทำความดีได้นิดๆหน่อยๆแล้วหยุดเสียไม่คิดจะทาดีต่อไป พระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิในหลักการข้อที่สามเป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ของพระพุทธศาสนาคือความเป็นผู้บริสุทธิ์พระพุทธศาสนาสันสนิษฐาว่าความบริสุทธิ์จากดวงใจจริงๆนั้นมิใช่แต่เพียงแสดงกิริยาที่ออกมาจากกายจากวาจาเท่านั้นอซึ่งอย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นการพรางความเลวร้ายไว้ในใจก็ได้อฉะนั้นก็ จะขอขยายในหัวข้อแรกที่บอกว่าการไม่ทําความชั่วนะรู้เว้นจากทุจริตนั่นเองคําว่าความชั่วอันนี้โปรดเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งที่จะทําให้ตัวเราชั่วชา้าอต่ําเล็วซามลงไปจะตัดสินว่าชั่วหรือไม่ชั่วต้องเอาตัวผู้ทํานั่นเองเป็นเครื่องวัดนะคืออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคนจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเองนะไม่ใช่บุคคลอื่น อันนี้บางทีเรานี่จะเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดนี่นะตนเองจะทําดีตนก็รู้อยู่แก่ใจตนจะทําชั่วตนก็รู้อยู่แก่ใจบางครั้งเราทําดีคนอื่นอาจจะว่าชั่วก็ได้บางครั้งเราทําชั่วคนอื่นจะว่าดีก็ได้ฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่จะดีหรือชั่วนั้นตัวของตัวเป็นผู้อรู้เองเท่านั้นเป็นผู้รู้ดีคนอื่นจะมารู้ดีเท่าตัวเองไม่ได้ฉะนั้น คำว่าความชั่ว น, นี้สํานวนทางพระพุทธศาสนามีคําใช้แทนกันอยู่หลายคําเช่นคําว่าบาปก็มีนะอกุศลแลกรรมก็มีทุจริตก็มีอาธรรมก็มีเหล่านี้เป็นต้นอนะสิ่งใดที่ท่านกล่าวว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตหรือเป็นอาธรรมสิ่งนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นความชั่วทั้งสิ้นเป็นความเลวทั้งสิ้นนะเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์ให้เกิดเดือดร้อนทั้งสิ้นนะ เพราะใครไปทำเข้าแล้วตัวเองนั้นจะต้องชั่วช้าต่าซามลงกว่าเดิมนะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างความชั่วนั้นเช่นความเกียดคา้านความดื้อด้านความคดโกงเหล่านี้เราถือว่าเป็นความชั่วทั้งนั้นคนเกียดคา้านนี่ถ้าหากว่าเราดูผิวเผินล้วลเหมือนว่ามันไม่มีพิษภัยร้าแรงอันนี้พระพุทธองค์ได้ตัสไว้ถึงในหลักของอบายามุขหกว่าเกียจคร้านทการงานนี่ ก็ถือว่าเป็นอบายมุกเป็นทางแห่งความเสือ่อมอันนี้ไม่เรียกว่าอาบุคคลใดชาติใดภาษาใดประเทศใดถ้าหากว่าเป็นคนเตี้ยคร้านไม่ขยันทํากิจการงานไม่ขยันศึกษาละเวียนไม่ขยันทําตามหน้าที่แน่นอนที่สุดผู้นั้นจะประสบความสุความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ผู้นั้นจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้สังคมนั้นประเทศนั้น จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ถ้าหากว่าคนในประเทศพากันเป็นคนเกียดคร้งไม่ทำการงานไม่ทำหน้าที่ไม่ทำกิจการน้อยใหญ่ที่ตนได้รับอมอบหมายให้ทำนั้นฉะนั้นอันนี้เรถือว่าเป็นเป็นความชั่วยังมหันต์เป็นการขุดลุมฝังตัวเองอย่างชั่วช้าเร็วสามที่สุดเหลือที่จะพร น, นาได้ฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายไอ้เรื่องของความชั่วนี้พระองค์จึงไม่ถือว่า เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะกระจัดให้หมดไปอจากใจของเราแล้วความชั่วที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นได้ทั้งสามทางก็คือทางกายนะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะทางกายที่จะเกิดความชั่วก็คือฆ่าศัพท์นะ่ะรักทรัพย์ประพฤติผประเวณีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความชั่วทางกาย แล้วเราจะเห็นว่าสังคมเราทุกวันนี้มีการเบียดเบียนกันมีการสระหัดทหารกันมีการเอารับเอาอเปรียบกันด้วยการาตัดช่องย่องเบ า, าจี้ปล้นค่าฉกชิงวิ่งราวสารพัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชั่วที่กระทําทางกายนะอันนี้เราเห็นชัดเลยแล้วยิ่งมีการฉุดฆาตนาจาาันข่มคืนอะไรกอนี่จะมีให้เห็นอยู่ให้ได้ฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันทางหนังสือพิมพ์ก็ดี ทางสถานในวิทยุกระจายเสียงก็ดีนะนังสือพิมพ์จะลงอยู่เลยอันนี้รู้สึกว่าเราจะแก้กันไม่ได้ไง่ายวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นเขามีสวัสดิการคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายสุภาพสตรีหรือว่าการฉุดค่าอนาจารดีมากเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกสมมุติว่าสุภาพสตรีจะแต่งตัวาหากว่า จะนุ่งที่ไม่สุภาพสักหน่อยจะเดินไปในที่เปรี่ยวในที่มืดถําคืนนึกหื่กเดนๆก็ไม่มีภัยอันตรายเพราะจะมีะการให้สวัสดิการหรือการคุ้มครองที่ดีมากในประเทศญี่ปุ่นเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยบางครั้งก็เอาตัวหน้าต่อตาบนรถเมล์ก็มีนะตามถนนพ้นทางก็มีจะเลวยกล่าวไปย้ยถึงกับไอ้ตรอกซอกซอยที่มันเปรียวที่มันมืด เออย่างงี้ก็ยิ่งมีภัยมากอีกเป็นทวีคูณอ่นะอีกเป็นทวูคูณฉะนั้นในเรื่องการทําความชั่วเอ่อทางกายนั้นก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นบาปอย่างมหาหันนะ่ะเป็นบาปอย่างมหาหันแล้วในทางวาจาก็คือเช่นเดียวกนว่าอพูดโกหกพูดคำหยาบ พ, พูดเสาะเสียดพูดเพ้เจอ่า อ, อ, อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชั่วทางทางวาจาส่วนความชั่วทางใจก็คือว่า คิดโลกอยากได้ของเขาของผู้อื่นพยาบาทตอง้ายผู้อื่นเห็นผิดจากคนนองครองธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นความชั่วทางใจทั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นเสนิมที่เกิดขึ้นในใจเสนิมอย่างนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยมันไว้แน่นอนที่สุดมันก็กัดจิตใจของเราให้ผูกให้พลนไปให้ย่อยยับไปทําหัวใจของเราให้ไม่มีสมรรถภาพไม่มีพลังที่จะทํากิจการงานน้อยใหญ่ ผลที่สุดว่าใจของเราก็จะเต้นช้าลงช้าลงแล้วก็อ่อนแรงลงแออ่อนแรงลงจนกระทั่งที่สุดก็คือหยุดหายใจหยุดเต้นนะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายพูดถึงในเรื่องทุจริตด้วยกายวาจาใจนี้หากว่าเราทุกคนได้มีการสํารวมระมัดระวัง เ, เกี่ยวกับเรื่องอทวารทั้งสามทางกายทางวาจาทางใจแล้วไอ้สิ่งที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีที่หนักก็จะกลายเป็นเบาที่เบาก็อาจจะไม่มีเลย เพราะว่าให้ท่านนึกถือว่าความชั่วจะเกิดกับเรานั้นจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจก็ดีแม้เพียงนิดหน่อยก็เกิดความทุกข์มากนะเกิดความทุกข์มากอันนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องหลักของกรรมนะหลักของกรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งอาตมาก็ได้พูดอยู่ในธรรมะทุกๆุบททุกๆุกกกหมวดว่าหลักพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่กรรมนะคนว่าเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่การกระทํานันะ้นนะกรรมเป็นเครื่องําแนกซะ นะกรรมสัตวเปวียพัชติกรรมเป็นเครื่องจําแนกจัดให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้อให้สูงขึ้นก็ได้ให้ต่าลงก็ได้อยู่ที่กรรมเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้อในจุลกรรมสูตรแห่งพระสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ว่าค น, คนบางคนเกิดมามีอายุสั้นบางคนเกิดมามีอายุยืน คนบางคนเกิดมามีโรคมากคนบางคนเกิดมามีโรคน้อยคนบางคนเกิดมามีผิวพรรณไม่งดงามคนบางคนเกิดมามีผิวพรรณงดงามคนบางคนเกิดมามียศศักดิ์ต่าคนบางคนเกิดมามียศศักดิ์สูงคนบางคนเกิดมามีทรัพย์มากคนบางคนเกิดมามีทรัพย์น้อยคนบางคนเกิดมาแต่ใน ในตระกูลต่ำบางคนก็เกิดในตระกูลสูงอคนบางคนเกิดมามีปัญญามากบางคนเกิดมามีปัญญาน้อยอที่เป็นเช่นนี้มันเพราะอะไรมันก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าคนบางคนที่เกิดมามีอายุสั้นก็เพราะเป็นคนชอบฆ่าสัตว์นะคนชอบฆ่าสัตว์ อไอการฆ่าสัตว์นี้ก็ถ้าจะพูดแล้วก็คืออาจจะพูดได้สองลักษณะในลักษณะหนึ่งนั้นที่ตนเองมีอายุสั้นในปัจจุบันในชาตินี้เพราะในอดีตชาติที่แล้วมาตนนั้นเป็นคนที่ได้ ก, ก่อกรรมทําเข็ญเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่มากฉะนั้นมาในปัจจุบันในชาตินี้ตนเองจึงมีอายุสั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันนี้ตนเกิดมาแล้วก็ยัง ก, ก่อกรรมทําความชั่วด้วยกายอาวาจาและจิตใจ อันนี้แหละก็จึงทำให้ตนเองนั้นมีอายุสั้นนะอายุสัน้นก็ในหลักพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เยอะนะมีอยู่มากมายเกี่ยวกับเรื่องคนอายุสัน้นในสมัยพุทธกาลก็มีนายจุนทะสุกริกคนหนึ่งนะมีอาชีพในการฆ่าหมูขายเลี้ยงชีวิตหรือจะขายก็กินบ้างนะเวลาฆ่าหมูนั้นก็รู้สึกว่ามีวิธีกรรมหลายอย่างนะมีวิธีกรรมมาก แกจะต้องอมีเอาไม้นสอดเข้าไปในปากนะแล้วก็เอาน้าร้อนเทกรอกลงไปนี่เทกรอกลงไปต้องไปล้างไส้นะแล้วก็ขูดเอาน้ําร้อนในรัดบนตัวอีกแล้วก็ขูดเอาขนออกแมรู้สึกว่ามันแสปประร้อนอลำบากแล้วเกินนะผลที่สุดปรากฏว่าไอ้ผลกรรมที่แกทําอยู่ต่อนเนื่องอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ตามให้ผลแก่ผลที่สุดในจุนทัศสุภริกา พอเวลาก็จะตายแกก็คลานสี่เท้าเลยคลานสี่เป็นเหมือนสี่เท้าเหมือนกับหมูเดินไปทางโน้นทีเดินไปทางนี้ทีอคนในบ้านนั้นก็จับกันไม่ได้หยุดเลยนะไว้จับไว้เพราะกลัวจะตกบ้านกลัวจะไปทางโน้นไปทางนี้อนะแต่ว่ากรรมมันเป็นผลักดันให้แกต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วแกก็ร้องทําเสียงเหมือนหมูด้วยนะร้องทําเสียงเหมือนหมูตอนะนที่สวดพวกพ่อพี่สวดไปบินาบาัดใกล้ๆบ้านได้ยินเสียงอร้องนั้นว่าเอ๊ะนี่มัน จะว่าเป็นเสียงหมูก็ไม่ใช่จะว่าคนก็ไม่เชิงเอมันเป็นเสียงอะไรกันแน่ก็ทราบว่าเป็นเสียงของนายจุนทะสูกระิกะซุ่งเป็นพวกค้าขายหมูเป็นอาชีพข่าหมูขายเป็นอาชีพอแล้วก็แปลกใจว่าทําไมโยมคนนี้จึงร้องเสียงเหมือนหมูทําไมจึงต้องคลานเหมือนกับหมูก็เลยพากันไปเข้ากับพระเจ้าอพระองค์ก็ได้จัดว่าสาเหตุที่โยมคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า แต่นั้นได้ทํำบาปเกี่ยวกับการฆ่าหมูเป็นอาชีพเป็นอาชินนะผลทําที่เกได้รับก็คือว่าแกก็ต้องเหมือนกับหมูอีกเหมือนกันอพูดถึงเรื่องฆ่าหมูท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวอาตมาเองสมัยเป็นเด็กนะอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมสักหน่อยนะที่ตัวเองได้ประสบมาตอนเป็นเด็กนั้นอาตมาก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้เหมือนกันอนะก็คิดว่าคงจะมีผลแน่นะแต่ว่า ไม่มากก็น้อยรู้จักเป็นเมื่อไรนั้นก็ไม่ทราบได้นะก็คือว่าที่บ้านอาตมานั้นก็อยู่ใกล้ๆ ก, กับตลาดนะอยู่ใกล้ๆ ก, กับตลาดอเขาแล้วคนที่ทําหมูนก็เป็นเพื่อนกันนะเขาเป็นเพื่อนกันพอถึงตีเส้นเนี่ย mm. เขาก็จะจับหมูนะจับหมูฆ่าแล้วก็ทําหมูเพื่อเอาไปส่งตังเขียงต่างๆเพื่อนก็ขอร้องให้เรามาช่วยด้วยนะเราก็มานะมา ไอ้มาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็มาร่วมกิจกรรมกับเขาเหมือนกันแต่เห็นเขาค่าแล้วก็รู้สึกน่าสยดสยองใจแม้ทั้งผู้ฟังทั้งหลายเวลาเขาจะข่าหมูนี่นอกจากเขาเอามัล้างทําความสะอาดแล้วเขาก็เอาขึ้นไว้บนเตียงใหญ่นะขึ้นไว้บนเตียงแล้วก็เอามีดยาวประมาณหนึ่งศอกนะมีดยาวประมาณหนึ่งศอกแทงไปที่ใต้คอเนี่ยโอ้โหเสียวมากแทงเป็นๆเ น, นี่ยนะแทงไปที่ใต้คออ่าแทงไปแล้วก็ เอายกมีขึ้นหน่อยแล้วก็ชักออกมาล้วดก็พุ่งออกมาใส่ชามกระมังโอ้โหดูแล้ยน่ากลัวให้หมูมันอ้วนมันไม่ต้องไปมัดไม่มัดอะไรนะมันหนีไปไม่ไหวอีกแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานหมูก็กระอากเลือดตายนะกระอากเลือดตายแล้วแกก็เอากระสอบน้ำขมแล้วก็ตักน้ํอาอ่าร้อนตักน้ําร้อนเนี่ยรดไปนะรดบนกระสอบเพื่อให้มันอมน้ํามันก็จะทําให้เอาการ ขูดขนนั่นออกได้ง่ายตอนนี้แหละจะมาก็ได้ร่วมกิจกรรมสักน้าร้อนกับเขาบังถือตะเกียงให้เขาบ้างนี่แหละฝนกรรมอันนี้มันมันก็เลยคงจะต้องติดตามตัวนี้่นึกอยู่เสมอเลยพอมันเรียนรู้เขาเนี่นึกว่าตัวเองจะต้องได้รับกรรมอันนี้นะฉะนั้นอันนี้แหละที่ตัวเองได้ประสบมาแล้วก็มีอีกแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหมูนะเกี่ยวกับเรื่องหมูก็คือที่อําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะ โยตคนนี้แกก็เป็นชาวจีนมีอาชีพในการฆ่าหมูขายเป็นประจำอีกเหมือนกันนปะรากฏว่าแกทําอยู่ไม่นานไอ้ผลกรรมมันก็ตามทันทําให้แกนี่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยเพราะการฆ่าหมูนี่จะต้องเอาน้ําร้อนรับตัวแกร้อนมากป้ากฏว่าแกทั้งบอกกับภรรยาบอกกับลูกหญิงลูกชายว่าแม่ร้อนเือเกินเขาให้ไปอาบน้ําก็อาบน้ําแล้วมันก็ไม่หายร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่หายร้อนฉะนั้นแกจึงพยายามจะหนี บ้านเนี่ยไปลงลายคออยู่ในแม่น้ํานเะำอยากลงน้ําเลย่ยอยากจะไปแช่น้ําให้มันเย็นๆนะแต่ปรากฏว่าแกก็พยายามทุกวิธีทางทางภรรยาทางสามีเออทางภรรยาพวกลูกลูกหญิงลูกชายก็ช่วยกันจับไว้เอาขังไว้เอาล่างไว้แต่ผลที่สุดแกก็ยังเล็ดลอดออกไปได้นะผลที่สุดแกก็ไปจมน้ําตายนี่เห็นไหมท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องกรรมมันมีนะมันมีแน่นะทาดีต้องได้ดีทําชั่วต้องไม่ชั่ว อย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าเราทําแล้วไม่มีคนเห็นเราทําแล้วไม่มีคนรู้อย่านึกว่าเรารู้แล้วมันไม่เป็นไรเป็นที่จริงแล้วมันเป็นนะมันเป็นทั้งนั้นเรื่องกรรมนี่ไม่เข้าใครออกใครเราติดสินบนมันก็ไม่ยอมนะเรื่องกรรมนี่เราไิดสินบนมันก็ไม่ยอมเพราะว่าแรงอะไรจะมาแรงเข้ากับแรงกรรมไม่มีอีกนะไอ้แรงอย่างอื่นนะเราพอทัดทานกันได้แต่ว่าแรงกรรมนี่เราทัดทานไม่ได้ท่านลองนึกดูสิ อ ง, งสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ถูกพระเทวทัตกิ้งหินทับนั่นก็เพราะอะไรอันนี้ก็เป็นแรงกรรมมาเมื่อหลายร้อยชาติที่พระองค์ได้เป็นมานพนะได้เป็นมานพก็คือได้เอาก้อนหินนั้นไปทุกน้องต่างมานดา น, ะน้องต่างมารดาซึ่งชวนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็พลากให้ตกกูเขาเอาก้อนหินทับขึ้นมา อนผลกรรมอันนี้เลยได้ตามพระองค์มาทุกชาติทุกชาติก็มาทันเอาตอนที่สมัยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถูกอพระเทวราชกลิ้งหินนะกลิ้งหินมาจนถูกสะเก็ดหินยางพระโลหิตให้ห่อนี่ก็เป็นกรรมและอีกหลายตอนเป็นกรรมทั้งนั้นนะยางพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันพระโมคคัลลานะนี่ก็ได้ทุบตีมารดาบิดาซึ่งตาบอดนะตัวเองนั้นก็ เ, เรียกว่าพอมีย่ามีเรือนแล้วก็หลงลูกหลงเมียเชื่อมเมีย ถูกมีอายุยงส่งเสริมนั้นให้ค่าพ่อฆ่าแม่ก็กลายเป็นคนที่เชื่ออเชื่อตามหูเบาเอในขณะที่พาพ่อแม่ตาบอดนั่งเกวียนไปนั้นก็พอไปถึงกลางทางก็ทําเสือแ้งแก้งบอกว่าอะจะปวดท้องอก็หยุดเกวีนแล้วก็ตัวเองก็เดินลงเข้าไปในชายป่าในขณะที่เดินลงเข้าไปชายป่าก็กลับมาก็ทําเอาผ้าเคียนศีรษะเข้าแล้วก็ทําส่งเสียงร้องว่าไอ้โจนมุกไอ้โจรมุกทําเป็นว่าโจนร้น เข้ามาทุบตีพ่อแม่ะเรือเนเสียงเดิมใหม่พ่อแม่ก็จําเสียงไม่ได้ทั้งๆที่ลูกเท่าไรเป็นคนตีเอท่านผู้ฟังลองคิดดูพ่อแม่พอรู้ว่าตัวเองถูกโจรตีแทนที่จะกลัวว่าตัวเองจะตายคิดจะหลบหนีกล่าวกลับเป็นห่วงลูกชายโมคาลานานั้นเดิมชื่อว่าโกริตะกลับเป็นห่วงลูกชายเรียกโกริตะขอให้หนีไปโกริตะขอให้หนีไปว่าบัดนี้โจนกําลังมาต้อนอีกแล้วขอให้หนีไป ไปหารู้ไหมว่าคนโจนที่ตีนั้นคือลูกชายนี่คือลูกชายนี่ฉะนั้นจะบอกว่าน้ำใจของความเป็นพ่อเป็นแม่นี้ประเสริฐเหลือเกินแม้ตัวเองจะตายก็ยังเป็นห่วงลูกนะยอมตายเพื่อลูกขอให้ลูกหนีไปเขาจะตีพ่อแม่ยังไงก็เอาละยอมแต่ให้ลูกปลอดภัยเป็นพอใจแล้วเป็นดีใจแล้วเป็นปลื้มใจแล้วฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นข้อคิดกับนับเกเรยนักศึกษากับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเรื่องการทํากรรมนั้นเราหนีไม่พ้นฉะนั้น กรรมอันนั้นแหละจึงตามมาทันโกริตะตอนที่มาบวชเป็นพระสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และได้รับยกย่องจากอาองค์สมเด็จตั้งสมาสั ม, ส ม, มพุทธเจ้าว่าเป็นอัคษาวกเบื้องซ้ายผู้เลิกไปด้วยฤทธิ์คือมีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากแล้วก็ยังต้องมาถูกโจรทุบทุบตายผู้ประสาทเจ้บ้านว่ทุบตายอทุบจนนิพพานเน่ยทุบตายทีแรกตอนมาล้อมจะฆ่าเออ่ท่านรู้ท่านก็เหาะหนีไปนะ ท่านหนีไปที่โ น, โน้นละจนก็ตามไปด้วยอ้าวท่านก็หนีเนื่เยเหาะไปได้ก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากหเหาะเคลนเดินอากาศได้เจาะลูกดานออกได้อได้รอบคิดว่างท่นเถอะแต่พระองค์ก็แต่ท่านก็ได้มาพิจารณาว่าทําไมหนีไปที่ไหนแล้วก็จึงมีโจนตามมาจะกฆ่าจะทุบอยู่เลยก็จึงได้มานั่งอดูเรียกว่าดูบุพกรรมของตน ว, ว่าตนเคยได้ทํากรรมอะไรมาในชาติทั้งก่อนก็อ น, อนี่ตนกรรมอันเนี้ยหนีไม่พ้นแน่ หนะนี้ไม่พ้นแน่เพราะตนเองนั้นได้เคยเอทํำลายพ่อแม่นะเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉะนั้นกรรมอันนี้ก็จิ้ได้มาเคยตีพ่อแม่กรรมอันนี้ก็เลยจึงต้องตัวเองจะต้องมาถูกตีบ้างมาถูกทุกบ้างนะนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องกรรมเราหนีไม่พน้นอะต่างกันอยู่ว่าจะเร็วหรือช้าแค่นั้นแต่ให้ท่านผู้ศึกษาผู้ฟังตั้งหลายพึง เ, เข้าใจไว้หน่อยว่ากรรมที่ทํำยังเป็นปุถุชนนั้นจะต้องตามตัวไป ไม่เลือกว่าจะไปอยู่ในสภาวะเช่นไรจะไปเป็นพระสงฆ์องค์เลนไปเป็นพระราชามาวสัตว์หรือไปเป็นพระอรหรันต์เนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามไปทันแต่ว่าถ้าหากว่ากรรมนั้นเกิดในสมัยที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ทันเพราะพระอารหันต์นั้นก็ไม่ไม่ทําบาปอยู่แล้วนะหรือว่าทําบาปไม่เป็นบาปทําบุญไม่เป็นบุญแล้วเป็นแต่ว่าสักแต่เพียงว่าทําเป็นกิริยาสักแต่เพียงว่าท ำ, น, าาทำนี่สําหรับพระอรหันต์นะ ไม่มีกรรมอะไรตามทันอีกแล้วหมดแล้วเส้นพภพสิ้นชาส้นเวนเส้นกรรมกันหมดแล้วไม่มีแต่ว่าถ้าทําตอนที่ยังไม่เป็นพระราหารันยังมีกิเลสยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่เลือกว่าจะอยู่ในสถานะเช่นใดอย่างนี้กรรมต้องตามทันเอตามทันแน่ อ, อันนี้ก็ขอฝากอให้ท่านทั้งหลายไว้เป็นเครื่องปีนิ้ปีนาว่ากรรมที่เราทํานั้นเราเป็นเจ้าของแห่งกรรมเราเป็นเจ้าของแห่งกรรมนี้ไม่พ้นหนีไม่พม้นนม่เป็นเรื่อง ทุจริตนะเป็นเรื่องทุจริตหรือเป็นเรื่องความชั่วอนะในข้อแรกที่นะได้พูดไว้ว่าโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นก็คือว่าเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจหรือพูดให้สั้นๆก็คือว่าไม่ทําความชั่วโดยประการทั้งปวงนะโดยประการทั้งปวงด้วยกายวาจาและใจนะทีนี้ประการที่สอง เมื่อเว้นจากทุจริตแล้วก็ต้องประกอบสุจริตคือประพฤติ ช, ชอบโดยกายวาจาใจนะี่พูดสั้นๆก็คือว่าทําความดีไม่ทําชั่วแล้วก็ต้องทําความดนะีคนเราถ้าหากว่าไม่ทําชั่วแล้วก็จะถือว่าทําความดีไม่ไดนะ้อันนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่ทําชั่วแล้วก็อาจจะต้องทําความดีไม่ใช่นะฉะนั้นความดีกับความชั่วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะถ้าหากว่า เปรียบก็คือว่าความความดีคือสหายความชั่วร้ายคือศัตรูในพูดเป็นคำขมว่าความดีคือสหายความชั่วร้ายคือศัตรูใอ้ความดีนั้นมันเป็นสีขาวแต่้ความชั่วร้ายนั้นมันเป็นสีดำเป็นสีดำฉะนั้นเมื่อพูดการทำความดีนะหรือประกอบการสุจริตนี้ก็ขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าความดีก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความชั่วนะหมายถึง การกระทำอันใดอก็แล้วแต่ที่เราได้กระทำลงไปแล้วเป็นการทำให้ตัวเราดีอให้ตัวเราดีขึ้นให้ตัวเราเจริญขึ้นให้ตัวเราประเสริฐขึ้นสำนวนทางศาสนามีคำใช้แทนคำว่าความดีมีอยู่หลายคำเหมือนกันเช่นคำว่าบุญก็เป็นความดีก็เป็นสุดจริตกุศลก็เป็นความดีก็เป็นสุจริตหรือคาว่ากุศลจะแปลว่าฉลาดก็ได้หรือคาว่า สุดจริตอ่านี่ก็เป็นความดีอ่สุจริตแล้วก็ทำอ่าธรรมะเนี่ยนี่ก็เป็นความดีฉะนั้นอันนี้เป็นหลักที่เราใช้แทนกันว่าเราเป็นบุญก็ได้เป็นกุศลก็ได้เป็นสุจริตก็ได้เป็นธรรมก็ได้อ่าจะนอกแม้คนนี้ไม่ให้ความยุติธรรมเลยแม้ทาอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมเลยนะทําอย่างนี้ไม่สุจริตเลยนะแม้ทําอย่างนี้ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเลยนะนี่ยเราจะพูดกันฉะนั้นความหลักของการทําความดีก็คือประพฤติสุจริต อ่าประพฤติ ช, ชอบด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็ถ้าจะกล่าวถึงหัวข้อของความดีก็มีอยู่มากเช่นวความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรความเสียสละและความอดทนเหล่านี้เป็นต้นหรือจะพูดอย่างรวกยอดว่าการปฏิบัติตามธรรมทุกข้อชื่อว่าเป็นการะทำความดีอย่างนี้ก็ถูกต้องผลของการไม่ทําความชั่วและการทําความดีนี้อเป็นสิ่งที่ ทุกคนควรกระทำการไม่ทำความชั่วเป็นการป้องกันตัวเราเองไม่ให้ตกตำ่ำไม่ให้ชั่วช้าลงไปส่วนการกระทำความดีนั้นเป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทางพระพุทธศาสนามีคำสอนอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ทำดีต้องได้ดีผู้ทำชั่วต้องได้ชั่วซึ่งหมายความตรงตัวว่าคนทำความดีก็ต้องได้รับความดีซึ่งเราจะพูดอยู่บ่อยๆว่าได้ดีว่าทำดีต้องได้ดีอันนี้เราพูดกันอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าใครทำความชั่วก็จะได้ความชั่วเป็นเครื่องตอบแทนนะเพื่อจะได้ความชั่วเป็นเครื่องตอบแทนก็คือเป็นคนเลวถ้าเราพูดสั้นๆก็คือว่าได้ชั่วนะทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนะี่เราพูดกันแต่คนเราไม่พยายามที่จะอ่านความหมายของสุภาษิตให้เข้าใจนะให้เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆมักจะค้านสุภาษิตกันว่าไม่จริงนะ เพราะบางคนก็ไปบอกว่าการทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้รู้สึกว่าเป็นการผิดหลักคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเราควรจะค้านขึ้นทันทีเลยว่าการทําดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ที่ทําชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่อันนี้ แก่กเขาได้เนี่ยแก้เขาได้ฉะนั้นอก็ท่านฟังทั้งหลายท่านลองพิจารณาดูว่าที่เราจะมาพูดในนี้นี่มีความจริงอย่างที่พูดไหมนะถ้าหากว่าท่านฟังตามจองตามแล้วก็จะเห็นชัดทันทีว่าการทําดีนั่นแหละทุกคนปรารถนาการทําชั่วนั้นทุกคนไม่ปรารถนาเนีเรื่องนี้ถ้าจะทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่มีความสงสัยเลยว่าวิธีการปฏิบัติในการละเว้นจากความชั่ว กับการทำความดีนั้นมีข้อสังเกตไว้เป็นทางปฏิบัติตังนี้คือหนึ่งการละเว้นจากความชั่วเราจะต้องแยกงานออกเป็นสองคือละความชั่วซึ่งติดนิสัยอยู่ก่อนแล้วเสียโดยวิธีละทีละน้อยละน้อยจนละได้เด็ดขาดสองเว้นความชั่วที่ยังมิได้ทำลงงดเสียอย่าทางดเสียอย่าท ำ, ยยาทำก็หมายความว่า และความชั่วที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจของเราเนี่ยให้หมดไปทีละเล็กละน้อยค่อยๆทําไปให้ความดีที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็พยายามทําดีต่อไปอีกนะยากินบนเก่านะเราควรต้องสร้างบนใหม่ต่อไปด้วยถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจะมีแต่ความเจริญเราจะมีแต่ความรุ่งเรืองนะเราจะมีแต่ความเรืองฉะนั้นเมื่อบอกว่าเมื่อเราเว้นจากทุจริตแล้วก็จะได้ชื่อว่าประกอบสุจริตเลยก็หาไม่ได้นะ บางคนเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าเมื่อเราไม่ทําชั่วแล้วมันก็ต้องทําดีไม่ใช่นะเมื่อเราก็ทําเมื่อเราไม่ทําชั่วแล้วยังไม่ใช่ว่าเป็นการทําความดีนะการเว้นจากทุจริตอันนั้นเป็นส่วนศีล น, นะเป็นส่วนศีลส่วนการประกอบสุจริตอันนี้เป็นส่วนธรรมนะเป็นส่วนธรรมส่วนศีล น, นั้นเป็นส่วนวินยัยเป็นมีข้อห้ามอนะผิดระเบียบผิดแบบแผนจากทํานองคลองธรรม เมื่อคนมีศีลจะได้ชื่อว่ามีธรรมด้วยก็หามีได้นะต่างว่าคนที่มีศีลผู้หนึ่งหรือจะยกตัวอย่างว่าอาคนคนหนึ่งเป็นคนมีศีลนะเดินทางไปด้วยเรือนะไปด้วยเรือปรากฏว่าเรือล่มนะเกิดเรือล่มก็ว่ายน้ําอยู่สมควรอทุกอย่างที่เขาจะต้องหยุดนะ เมื่อเขาไปพบคนที่ที่ตกอขอประทานโทษรู้สึกว่าจะทำให้ผู้ฟังอาจจับสนไปบ้างหมายความว่าเขาเดินทางไปทางเรือนะแล้วไ ป, ลนะไปพบคนที่เรือล่มไปพบคนที่เรือล่มว่ายน้ำอยู่สมควรที่เขาจะต้องหยุดเรือช่วยนะหยุดเรือช่วยเพื่อให้คนที่ถูกที่เรือล่มนั้นรอดพ้นจากอันตรายแก่ชีวิตได้ แต่เขาหาได้มีจิตกรุณาไหมนะกลับเป็นไม่สนใจนะก็เลยเรียกว่าผ่านไปโดยทาทาจิตใจเป็นว่าไม่สงสารไม่เห็นใจจะได้ไม่ช้าคนนั้นก็ต้องจมน้ำตายเช่นนี้จะหาว่าบุคคลนั้นไม่ทําชั่วแล้วก็คือทําดีได้ไหมไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะเขาไม่ทําชั่วแล้วจะต้องทําดีด้วย ไม่ช่วยพอหยุดจากความชั่วก็เป็นความดีเลยยิ่งอยู่เขานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ช่วยคนตกน้ำก็ศีลไม่ขาดนะศีลไม่ขาดนะแต่ว่าเขายังไม่มีธรรมะนะยังไม่มีความดีฉะนั้นความดีนั้นเราจะต้องประพฤติเราจะต้องปฏิบัตินะก็คือมีเมตตามีกรุณาราถนาที่จะให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นพ้นจากทุกข์นะอย่างนี้หลยได้นชี้ว่ า, าเรานั้นกระทาความดีนะ เหล่านั้นได้กระทาความดีฉะนั้นอันนี้ก็ฝากให้ท่านทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่าการกระทําความดีนั้นถ้าหากว่ามองผิวเผินแล้วมันก็ไม่ยากนะมันเป็นของง่ายนะอย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วว่าสุจริตเนี่ยแปล ว, ว่าการประพฤติดีประพฤติงามประพฤติง่ายทุจริตก็คือการประพฤติชั่วนะประพฤติแล้วก็เดือดร้อนลาบากนะฉะนั้น แต่ว่าเรามักจะพูดกันว่าทำชั่วน่ะมันง่ายทำดีน่ะมันยากอที่จริงแล้วตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มันตรงกันข้ามว่าทำดีนั้นง่ายทำชั่วนั้นยากเพราะการทำดีนั้นเราทำเวลาใดก็ได้คนมากก็ทำได้คนน้อยก็ทำได้กลางวันก็ทำได้กลางคืนก็ทำได้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็น คนไม่เห็นก็ทำได้คนเห็นก็ทำได้และเมื่อเราทำแล้วคนไหนรู้คนไหนเห็นก็ย่อมได้รับการยกนะย่องนะย่อมได้รับการยกย่องตรงกันข้ามคนที่ทำความชั่วอานะอันนี้ต้องเลือกการต้องเลือกเวลาเพราะว่าต้องดูว่ามืดหรือเปล่าถ้าหากว่ายังไม่ค่ำคืนก็ไม่กล้าจะไปเพราะว่ากลัวคนจะเห็นหรือถ้าเป็นกลางวันก็ต้องคอยลบบ่อนซนะคอยหลบหลบ่อน่นะ อ, ล อ, นอนกลัวคนจะเห็นกลัวจะถูก จองจําเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจะจับหรือจะฆ่าจะแกงอะไรก็แล้วแต่ล่ะมันให้ภาวกรวมมันวิตกไปหมดนะวิตกไปหมดเลยนี่แหละี่บอกมันยากการทําโทษนี่มันยากจะต้องเลือกการเวลานะแล้วต้องเลือกบุคคลอีกด้วยแต่ว่าการกระทําความดีแล้วไม่ต้องเลือกบุคคลทํากับใครก็ได้นะเราพบใครเรายกมือไหวเราพูดดีนะแล้วไม่ต้องอายใครนะหรือว่าเราจะใส่บาตรพะก็ไม่ต้องอายใครเออ หรือว่ามีใส่แต่ข้าวอย่างเดียวไม่มีกลับก็ไม่ต้องอายใครอันนี้มันก็เป็นความดีทั้งนะแต่ว่าคนกระทําความชั่วแล้วรู้สึกว่าต้องคอยระแวดระวังนะต้องคอยระแวดระวังต้องคอยว่าเอเวลานี้เจ้าของอยู่หรือเปล่าในขณนะรู้ว่าเขาไม่อยู่ก็กลัวเขาจะกลับมาแค่นั้นไม่พอก็ยังกลัวคนอื่นอีกด้วยนี่แหละจึงบอกว่าการทําชั่วนั้นมันยากนะมันยากนะทั้งทําชั่วก็ดีทําดีก็ดีทุกอย่างมีผลดังนั้น แต่ทำชั่วนั้นเป็นไปในทางที่ลบทำดีนั้นเป็นในทางที่บวกนะเพราะเป็นธรรมอันขาวฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมาทำความดีกันเถิดการทำดีนั้นก็ทำได้ด้วยกายวาจาและใจทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่กระพติผิดประเวณีทางวาจาก็คือไม่พูดคาไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเฟเจอร์ทางใจก็คือว่าไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยายามตรปองร้ายเขาเห็นถู ก, ากตามทำนองคลองทำอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีคนทำดีท่านผู้ฟังทั้งหลายมีให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเยอะนะเป็นตัวอย่างเยอะเลยแล้วคนทำดีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็เรียกว่ามีคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนรักมีคนบูชามีคนให้ความช่วยเหลือแต่ตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วนั้นเป็นพิษเป็นภยัย แก่ตัวเองด้วยแก่ครอบครัวด้วยแก่สังคมแก่ประเทศชาติไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากช่วยเหลือฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องความดีความชั่วแล้วเราควรจะพูดให้ถูกต้องว่าความดีคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากนี่ถ้าเราพูดอย่างนี้รู้สึกว่าชัดเลยนะชัดเลย ฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมาทำความดีนะการทำาดีเพียงแต่ทำจิตใจให้เรื่อมใสในพระพุทธธรรมพสงฆ์แค่นี้ก็ถือว่าทำดีแล้วถ้าท่านเคยฟังเรื่องเรื่องของอเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายชื่อว่ามัตตกุณดลีนะมัตตกุณดลี วันแกรับลูกชายแกมากนะลูกชายคนนี้รักหวงเห็นมาแต่ว่าแกเป็นคนสนิททีเหนียวนะปรากฏว่าวันหนึ่งลูกชายก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นนะเกิดเจ็บป่วยขึ้นแทนที่แกจะพาไปหาหมอแกเล่านะแกไม่พาไปหาหมอเพราะว่าแกกลัวจะต้องเปลืองทรับเลืองเงินเปลืองทองแกเท่าประกอบยาเองไปถามชาวบ้านไปถามหมอกลางบ้า ว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ควรจะประกอบยาอะไรควรจะใช้ยาอะไรจะใช้สมุนไพรยอย่างนั้นเอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแกก็ไปถามเมื่อเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้แกก็เอามาทําำเอามารักษาเองเอโ้โรคมันก็ไม่หายโรคมัน ก, ก็ไม่หายแกก็พยายามอใครก็จะมาช่วยรักษาแกไม่ยอมทางนั้นเพราะแ ก, กคิดว่าจะต้องเปลืองซรัพไปเกล่าผลที่สุดลูกชายก็ใกล้จะตายเต็มที ใกลจะตายนี่พาไปหาหมอเขาก็ไม่ทับแล้วเพราะว่ามันหนักเพียบแล้วถ้าเขารับเอาไว้เดี๋ยวก็ตายก็จะเสียชื่อของความเป็นหมอนะเสียเกียรติเสียชื่อเสียงเขาไม่เอาอ่าผลที่สุดแกดก็ต้องเอามารักษาเองที่บ้านไอ้แค่นั้นยังไม่พออ่แค่นั้นยังไม่พอเวลาลูกชายนอนอยู่ที่บ้านปรากฏว่ามีคนไปเยี่ยมแกก็ไม่พอใจ ไม่สบายใจเพราะถือว่าคนไปเยี่ยมนั้นเน่ยจะต้องเอเรียกว่าจะต้องเปลืองน้ําเปลืองข้าวจะต้องอสูบบุหรี่กินมากอะไรต่างๆนาน า, นานมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุแกกลัวคนจะเห็นอ่ากลัวคนจะเห็นว่าลูกชายป่วยมากเด็กจะมาเยี่ยมกับทุกใหญ่แก ต, ต้องอุ้มเอาลูกชายนั้นไปหลบซ่อนไว้ที่ระเบียงนะหลังบ้านนะที่ระเบียงหลังบ้านนี่ท่านผู้ฟังดังหละ่ะดูสินี่ ขนาดมีเงินมากแต่แกก็ไม่สามารถที่จะช่วยลูกไปได้เพราะแกเป็นวิชาทิฏฐิผลสุดท้ายลูกชายใกล้จะตายนอนตะแ k e งบิดไปบิดมาอยู่แล้วแต่พพุทธองค์ท่านได้ตรวจดูแล้วว่าตรวจ ด, ดูโลกตอนเช้ามืดก็รู้เลยว่ามรรคกุลดลีนี่ถ้าหากว่าเราไปช่วยแล้วก็จะต้องได้ทัพประโยชน์แน่นีประโยชน์แน่อยากกนั่นเลยจะต้องไปแน่ ก็ปรากฏว่าพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังที่บ้านมัตตคุณลีอไปที่นั้นก็พระพุทธองค์ก็เรียกว่าประทับยืนลอยอยู่บนอากาศแล้วก็เปล่งรัศมีไปเหมือนกับไปไฟแฟลตไทยรูปเงาว่ามัตตคุณลีเห็นแสงแวพะพอ้แปลกใจว่านี่มันแสงอะไรก็เหลียวมาดูอพอเหลียวมาดูก็เห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยกมือขึ้นไหวพร้อมกับทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่ ยกมือขึ้นไหวเนี่ยเพราะจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังเท่าไหร่แค่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพพระพุทธเห็นไหมนี่ไปเกิดเป็นเทพพระพุทธฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเชื่เห็นว่าเพียงแต่ทําจิตให้เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดประสาทความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงค์ก็สามารถที่จะไปจุติยังโลกสวรรค์ได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่าจิตคิดเป็นบาป อย่างนี้แน่นอนก็ไปทุกติเพราะในหลักพระพุทธศาสนาก็มีบอกไว้แล้วว่าจิตเตสังกิริเตถทุกติปาติกลางขาถ้าจิตคิดเศร้าหมองก็ไปทุกตินะไปเกิดในทุกติไปเกิดเป็นเทพเป็นนรกเป็นสัตว์เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เทสะนจิตเตะสังกิริตเตถสุกติปาติกัางขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไปเกิดในสุขติในสุขติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพประภูตเทพตีตาเกิดเป็น ปกพระพรหมเลื้อเข้าสู่พรหมโลกเนี่ยพวกนี้ถือว่าไปสุคติทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเราทําดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกระมากฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงกระทาความดีเถอะเราก็จะมีแต่ความสุขความสวัสดีอ่านี่เป็นการหลักของการเรื่องว่าไม่ทําความชั่วแล้วก็ต้องกระทาความดีทีนี้มาในข้อที่สาม ก็คือว่าต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะเรียกว่าทําจิตใจให้บริสุทธิ์การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือว่าคนเรานั้นมีกายกับใจเอ่าเท่าๆกันทุกคนมีกายกับใจกายเป็นนายอใจเป็นนายกายเป็นเบานะใจเป็นนายกายเป็นเบาคนเรานั้นจะทําอะไรก็มีใจเป็นหัวหน้านะมีใจเป็นหัวหน้า อ่าสังเ็ตก็อยู่ที่ใจจะพูดจะทำก็อยู่ที่ใจเท่านั้นอ่าอยู่ที่ใจเท่านั้นฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ในการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจคิดอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนี่ออกมาฉะนั้นในสองอย่างนี้ใจจึงมีความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของเรามากนะเพราะเหตุว่าใจเป็นผู้รองรับความดีความเลวของคนเรา ใจเป็นผู้นำเราเองเข้าถึงฐานะต่างๆในชีวิตนี้ในชาตินี้และชาติหน้าใจเป็นผู้สั่งสมกิจกรรมต่างๆที่จะนำเราไปสู่สุคติเมื่อสิ้นชีพนะเมื่อสิ้นชีพฉะนั้นก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไปเฉพาะสู่สุคติอย่างเดียวไปทุกติก็ก็ใจทั้งนั้นเป็นผู้นำไปเรียกว่าไปสู่คติทั้งสองอย่างคือสุคติกับทุกติ ฉะนั้นในประการแรกที่บอกว่าใจรับรองความดีและความเลวของเรานั้นหมายความว่าใครจะเป็นคนดีหรือเลวร้ายดูกันที่ใจนะให้ดูกันได้ที่ใจคนที่ริยาวาจาอ่อนหวานนั้นที่มีจิตใจเหี้ยมโหดร้ายอันนี้เรียกว่าคนหน้าเนื้อใจเสือนะคนหน้าเนื้อใจเสือหรือที่เราพูดกันว่า ปากตาใสแต่น้ําใจเชื่อดคอนะใจโหดร้ายแต่ว่าปากหวานหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าปากหวานค้นเป๊ว อ, อะไรทําลองนั้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนร้ายนะตรงกันข้ามแม้ว่าร่างกายภายนอกจะไม่สมเด็กอบแต่ว่าถ้าใจดีคนทั้งหลายคนนับหน้าถือตาว่าเป็นคนดีแต่การที่สองที่ว่าใจเป็นผู้นำเข้าถึงฐานะหมายถึงว่า ใจเป็นผู้บงการให้กายทำให้ปากพูดถ้าใจต่ำงานที่ที่ทำคำที่พูดก็ต่ำไปด้วยเช่นทำทุจริตหรือพูดคาหยาบช้าสามานาขั้นแล้วการกระทำของเรานั้นก็จะฝักสตัวของเราเองให้เข้าถึงฐานะที่ดีก็ได้ที่เลวก็ได้ถ้าเราเทําดีทำดีก็เข้าถึงฐานะดีถ้าเราทำไม่ดีก็เท่าเข้าถึงฐานะแห่งความไม่ดีก็คือเลวสาม ส่วนในประการจากการที่สามนั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบในหลักความจริงว่าคนเราถ้ายังไม่สิ้นกิเลสตัณหาแล้วไม่สิ้นกิเลสตัณหาเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะต้องเกิดในภพใดภ พ, พหนึ่งแน่นอนตามแรงกรรมที่มีตามแรงกรรมที่มีนะมรรมมถ้ายังถ้ายัง จิตถ้ายังไม่ถึงไม่ยังบรรลุไม่ถึงนิพพานแล้วก็ยังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรด้วยเหตุสําคัญอย่างนี้แหละการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ฟ่องแพรวจึงเป็นงานจําเป็นสําหรับผู้หวังความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าการปฏิบัติจิตใจให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นหมายถึงการกระทําทุกอย่างที่ทําให้จิตใจพ้นจากความโลภนะพ้นจากความโลภความคิดร้าย <S <S <S ความหลง ตลอดจนความง้อแง่ย่างงบงายซึ่งเป็นเหตุเศร้าหมองแห่งใจต่างๆซึ่งถ้าเราให้คำจากัดความสั้นๆก็จะต้องอกล่าวได้ว่าการทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนะวิธีการทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสในตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือหนึ่งการศึกษาหาความรูนะ้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญคนเราถ้าไม่มีความรู้นี่ ปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดคนนั้นจะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่ได้จะบริสุทธิ์จากตัณหาไม่ได้เพราะพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้เพราะลักษณะของปัญญาก็คือว่าตัดอ่าตัดอะไรตัดความชั่วอ่าตัดความชั่วทุกชนิดเลย ประการที่สองก็คือส่องแสงสว่างมีปัญญาที่ไหนเกิดแสงสว่างที่นั่นแม้แต่ ย, ยามค่าคืนคนมีปัญญาก็เกิดแสงสว่างนะตรงกันข้ามคนไม่มีปัญญาแม้ในกลางวันก็ถือว่ามืดอีกเหมือนกันนมืดอีกเหมือนกันยิ่งในยามค่ำคืนก็ยิ่งมืดสองต่อเลยนอกจากอความมืดอย่างหนึ่งแล้วก็ จิตใจก็ยังมืดมัวอีกด้วยเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองฉะนั้นการแรกเหตุต้องศึกษาหาความรู้ต้องศึกษาหาความรู้ความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้สามทางหนึ่งสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองกินตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบร่มนิสัย โดยการทำสมาธิบ้างโดยการจเจริญมสมถะบ้างจเจริญวิปัสสนาบ้างอันนี้แหละทำเป็นทางให้เกิดสัญญาทางนั้นหรืออย่างที่หรืออย่างเป็นตัวบาลีที่เป็นหลักของวจันักปราชญ์ว่าสุกิปุริวินิมุตโตกะทังโสบัณฑิโตภเวว่าคนถ้าปราศจากการฟังการคิดอการถามการบันทึกแล้วเป็นนักปราชญ์ไม่ได้ สุจิปุลิสุกก็คือฟังสุมาจากคาว่าสุดตรับเลยว่าฟังจิมาจากคาว่าจินตรับเลยว่าคิดปุลมาจากคาว่าปุตฉรับเลยว่าถามลิมาจากคาว่าลิขิตแปลว่าบันทึกจดจําเอาไว้นฟังแล้วต้องจดจําเอาไว้เพื่อแก้การลืมฉะนั้นอันนี้อาตมาก็ได้เคยสอนนักเรียนบางทีก็สอนทั้งประชาชนชาววัดทั่วๆไปว่าการเรียนเพื่อให้รู้ดีและสอบได้นั้นก็คือหนึ่งต้องจํา สองต้องจดถ้าไม่จาก็ต้องจดต้องคู่กันไปถ้าไม่จดก็ต้องจำต้องจำต้องจดเมื่อจาจดแล้วต้องพยายามทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วต้องให้ความเคารพอีกด้วยข้อนี้สำคัญท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเราที่เรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าฟังเทศฟังทังฟังการบรรยายไม่ค่อยรู้เรื่อง มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเราไม่เคารพครูผู้สอนเราไม่เคารพองผู้แสดงธรรมหรือพระอาจารย์ผู้เทศผู้บรรยายธรรมไปดูถูกธรรมของท่านบ้างถาว่าธรรมอย่างนี้เราเคยฟังแล้วผู้แสดงนั้นรู้สึกว่ า, ามียศถาบรรดาศัก์น้อยไปตำไปตนคิดยกตัวเองเป็นใหญ่อวดดีสำคัญดีายางนี้แล้วก็ นี่แหละที่เราเราจึงไม่รู้ดีนะเป็นนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันถ้าหากว่าไปอวดดีกับครูบาอาจารย์นะก็ความรู้ก็ไม่เกิดขึ้นความรู้ไม่เกิดขึ้นเพราะจะทําให้ตนเองนั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อครูบาอาจารย์พอเห็นอาจารย์นี้มาสอนมาอบรมมาเทศก็ไม่อยากจะฟังนะหรือฟังก็แบบว่านั่งฟังไปอย่างนั้นเองสักแต่ว่าฟังแต่ว่าไม่ได้เข้าหูเข้าไปถึงใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา อย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่เขาบอกว่าสมัยนี้คนเราเอาแต่ไหว้มีสนใจธรรมะคําพระสอนให้ฟังทำเอาไปทํากลับทิ้งทอนพระธรรมทอนทุกระทรมจากดือไทยนี่ไ่้ฟังทำเอาไปทํากลับทิ้งทอนหมายถึงว่าสิ่งที่เราฟังไปนั้นจะต้องเอาไปทําเอาไปประพฤติปฏิบัติแต่เราไม่เอาไปทําไปประพฤติปฏิบัติเราเอาไปทิ้งไปทอน เอาไปกว้างนะฟังแล้วก็ถ้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้ใส่ใจนี่เพราะเราไม่ได้เคารพนะถ้าเราให้ความเคารพให้ความเชื่อถือเรายอมนับว่าเป็นครูบาอาจารย์ยอมนับว่าท่านเหนือกว่าเราอย่างนี้จะทําให้เรานั้นมีความสนใจมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากฟังอยากจดอยากจําในคําสั่งสอนของท่านนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเราฟังโดยโยนิโสมนัสิการนะนี่อย่างนี้เขาเรียกคนฟังเป็น นคนฟังเป็นแล้วก็ยังบอกให้นักเรียนนักศึกษาและญาติโยมได้ท่องกันว่าจําไว้ดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดไว้ดีกว่าจํานี่ว่าจาไว้ดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดไว้ดีกว่าจําญาติโยมโดยมากทั้งจําทั้งจดไม่เอาทั้งหมดจึงไม่จดไม่จำํำนี่มันก็เลยไม่รู้กันเลยนะจดก็ไม่เอาจําก็ไม่เอา ผลที่สุดก็เป็นคนโงานะนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าการทําใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นะการแรกก็คือต้องเรียนต้องศึกษาต้องหาความรู้น ะ, ะการที่สองต้องอบรมตนให้ถูกนะให้ถูกทางนะไอ้คําว่าอบรมตนให้ถูกทางก็คือว่าต้องรู้ว่าไอ้ทางที่ตนเรียนตนศึกษานั้นเป็นทางให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แกต่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือเปล่าเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือเปล่า เป็นไปเพื่อความเบาบางแห่งกิเลสแห่งตัณหาหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นแน่นอนที่สุดนั่นเขาเรียกว่าผิดทางไม่ถูกทางนะฉะนั้นการทำความดีนั้นมันก็ต้องมีทางมีหนทางหรือเหมือนอย่างที่ท่านพระพุทธองค์ได้ตรัสไวในธรรมจักรก็คือเรื่องมรมีองแปดมรติว่าทางฉะนั้นการจะทาความดีนั้นหรือเพื่อจะให้หมดจดจากกิเลสท่านต้องเดินตามทางมรมีองแปด นะมักมีองค์แปดก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบเห็นตามอริยสัจสี่สองสัมมาสังกัปปะก็คือดําริชอบดําริออกจากกามดําริในความไม่พยายามบัตรดำริในความไม่เบียดเบียนสามสัมมาวาจา ก, ก็คือเจรจาชอบนะเจรจาชอบก็คือว่าไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเฟอเจอร์นะแล้วก็สัมมา กรรมมันตาก็คือการงานชอบการงานชอบก็คือว่าทาการงานในทางที่ถูกที่ควรทำงานในทางที่ถูกที่ควรก็หมายถึงว่าเราจะทำงานในทางที่สุจริตไม่ทาในทางที่ชุจริตอย่างนี้ถือว่าการทาการงานชอบในข้อที่สี่ก็คือในข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็คือเลี้ยงชีพในทางสุจริตในทางสัมมาชีพ ไม่ใช่ทางมิจฉาชีพหลอกลวงเขาหากินโกหกเขาหากินอย่างนี้ถือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วในข้อที่หกก็คือสัมมาวายามนะนก็หมายถึงว่าพยายามชอบการพยายามชอบหรือว่ามีความเพียรชอบเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจนั้นให้ออกไปนะค่อยๆละค่อยๆขัดกล่าวให้มันหมดไป แต่การที่สาก็คือว่าเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจแต่การที่สี่ก็คือว่าเพียรรักษากุศลบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปจากจิตใจนี่เราจะต้องอย่างนี้เรียกว่าเพียรชอบนะเพียรถูกทางนะแต่ถ้าเราไปเพียรทําในทางที่ไม่ดีไม่งามอันนั้นก็ถือว่าเพียรผิดทางก็อาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติได้นะ การที่เจ็ดก็คือสัมมาสติคือการระลึกชอบก็คือว่าระลึกในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในะระลึกในการที่จะทําคุณงศลความดีแล้วก็ระลึกในขั้นสูงก็คือว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือในมหาสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกเข้าไปในกาย เ, าเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายว่ามจิตสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็คือมีสติเข้าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตตานุปัฏนาสติปัฏฐานมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมานุปัฏนาสติปัฏฐานามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่กีรังยั่งยืนเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นอคลายจากกิเลสตัญหาเบาบางลงไปได้นะแล้วก็ ข้อสุดท้ายก็คือที่แปก็คือสัมมาสมาธิคือการตั้งใจมั่นนะก็คือมีสตินั่นเองคนเมื่อตั้งใจมั่นมีสติสงบแล้วก็ย่อมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงดังพุทธภาษิตว่าสมาธิงพิกเวพาเวตสมายโตยะถาภูตังปชานาติาภิสุททั้งหลายจงพาการเจริญสมาธิเถิด เมื่อเธอจเจริญสมาธิแล้วจิตใจก็ย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะแต่ว่าถ้ายังจิตใจไม่ตั้งมัน่นไม่สงบแล้วก็รู้ทุกอย่างไม่จริงนะยังไม่จริงยังรู้หลอกหลอกยังรู้ลง่ลงๆนะยังรู้ไม่บริสุทธนะิ์นะท่านถ้าหากว่าเราเดินตามทางมรมีองค์แปดแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีจิตใจถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสได้นะประการที่สาม การทําจิตใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธิก็ตามวิถีทางพุทธศาสนาก็ดังที่ได้บอกมาแล้วว่าก็คือการเจริญสมาธินั่นเองสมาธินี่ก็มีเป็นขั้นๆ ข, ขั้นต้นก็เรียกว่าคณิการสมาธิมีจิตใจสงบชั่วครู่ชั่วยามต่อไปกอุปจาระสมาธิก็เป็นจิตใจสงบได้นานหน่อยเฉียดเข้าไปจะถึงนานแล้วอัปนาสมาธิก็เรียกว่าจิตใจสงบอย่างแน่วแน่นาน นะพอถึงอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าปราบนิวรณูปกิเลสไดนะ้สงบนะจิตใจสงบถึงขั้นนี้ก็ฌานก็เกิดขึ้นแนละ้นี่ฌานเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นขั้นเป็นขั้นลูกจากขั้นต้นไปแล้วที่จะเข้าถึงขั้นสูงนะอันนี้ก็จะทําให้จิตใจของเราสงบได้ฉะนั้นท่านาสาธุชนผู้ฟังการบรรยายคำเกี่ยวกับเรื่องอพุทโธวาท หรือว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างอาที่อรตมมาได้กล่าวมาข้างต้นตั้งแต่ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าข้อหนึ่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจข้อสองประกอบสุจริตก็คือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจข้อสาการทําใจของตนให้หมดโจทย์จากเครื่องสมองมีความโลภความขรระความหลงเป็นต้นก็คิดว่าพอสมควรเวลาขอสรุปสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งสาข้อนี้ ถ้าจะย่ยอให้สั้นๆก็คือในข้อหนึ่งที่เว้นจากพุจริตก็ได้แก่ศีนั่นเองข้อที่สองอที่บอกว่าประกอบสุจริตอก็คือตัวสมาธิาตัวสมาธิข้อที่สามการทําใจของตนให้หมดจดจากเครื่องสมองก็ได้คือตัวปัญญาดังนั้นโอาวาทของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนานะเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกอย่างหนึ่งว่าสัพาพปาปัสการะนังคือการไม่ทําชั่ว ข้อที่สองก็คือกุศลสูปัสมปทาก็คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมหรือว่าการทําความดีให้ถึงพร้อมข้อที่สี่ก็คือสัจจิตตปริโยธปนังก็คือการทําจิตใจของตนให้พ่องแผ่หรือให้หมดจดฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นหลักพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะอย่างเดียวกันกับศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นที่อาจามาได้บรรยายมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ ขอความสุขความสวัส ด, ดีจงมีกับท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร